อ่าตอบนะครับประการแรกในกรณีการนั่งสมาธิเนี่ยครันี่ไปทางไหนเนี่ยออกเข้าทางนี้จะไหมผมผมว่าจะไปทางป่าโมกครับอ่าโอเคงั้นครับยอมทําเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอกวิธีอเอจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรครับในกรณเีเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาจิตมันสงบเนี่ยไอยสภาพดินน้ําไบลมในร่างกายของยอมเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพมันแปลเปลี่ยนทีนี้มันสงบเร็ว ไม่ได้อ๋อต้องไปยืดเดินอ๋ อ, อ, อยังจะไปทางนี้เลยโอ้แล้วก็ไม่บอกให้บอกให้พาไปทีนี้ไ ป, ไปทางไหนครับพัดจไม่เป็นไรมาทางนี้แล้วหนาววินาทีมันช้านิดนึงนะเนาะมาเข้าจังหวัดโอ้ลับรถยากเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง เยอะได้ตัวนิดนึงทำยังไงวะจิตเป็นกับลมออกไปไปเดินนิดนึงก็คืออย่างนี้ครับผมยอมอยู่ในสภาพจิตแบบเนี้ยสภาพดินน้ําไบลมในร่างกายมันก็มันมันก็ถูกผักจากจิตประเภทหยาบหยาบอ๋อครับจิตประเภทหยาบหยาก็คือนี่แหละจิตเครียดบั้งโกรธบ้างโลภบ้างหลงบ้าง หยีดหยุดหยีดวงจานทั้งหลายเรานี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เรามันคุ้นเคยมันคุ้นเคยกับการที่ว่าผักดันไอ้ไอ้ธาตุที่มันหยับหยบออกมาพอมันถูกผักดันลักษณะนี้มันก็เลยคุ้นเคยเหมือนคุณคุ้นเคยอยู่ในความดันระดับร้อยยี่สิบอะแล้วต่อมาไปอยู่ในความดันดันมันลดลงอ่ะประเภทที่เหลือแค่ร้อยเหลือแค่แปดสิบเนี้ยเนี่ยมันภาวะจะเป็นยังไงคงคงเพลงไหม เออเนี่ยกรณีมันดียวันเดียวกันกรณีที่ยอมนั่งปุ๊บเนี่ยพอจิตสงบปุ๊บเนี่ยยอมไม่เคยอยู่ในสภาพของจิตสงบแบบนั้นเร็วๆพอมันปุ๊บเนี้่ยสภาพร่างกายมันปุ๊บมันมันมันเหมือนเลยบางคนโครงเพลงเลยนะบางคนหัวกลับหางหางกลับหัวเลยทีเนี้ยขตาเลยเขาตากันเรื่องตดูเลยมันเกิดอะไรมันไม่ใช่ว่าอัศจรรย์อะไรหรอกนี่ยให้เข้าใจงั้น เนี่ยคนไม่รู้ระบบของจิตกับกับรูปธรรมนามธรรมมันมันมันมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยกายตกที่อกตกใจหลายคนเวลานั่งหน่อยโยกโยกโยกอะไรสารพัดก็ไม่รู้แล้วไปไมาก็โอ้โหเหมือนจะเกาะอะไรก็าไว้เหมือนเหมือนจะลอยก็เหมือนจะหลุดบ้างเลยเขาว่าไปนั่นแหละสารพัดเป็นแล้วแต่วิธีการแล้วแต่สภาพจิตในขณะนั้นนั้นวิธีการทํำยังไงทําไงครับวิธีการก็ให้เข้าใจระบบมันเสียแล้วก็ดูที่เรามีต่อไปแค่นั้นเองแหละ แค่นั้นเองเพราะให้เข้าใจว่ามันมาจากอะไรอ๋อจิตมันวุบลงเร็วเพราะงั้นเด้อมันมอนอยู่ที่สูงต่ำที่ต่ําเนี่ยวุบเนี่ยโอ้โหไม่สุขมันุหมเหมือนเครื่องเครา่องบินน่ะตกหลบตกหลมนอากาศอ่ะอย่าตกใจนีคือผมไม่มีกูบานยางกุนอันนี้ก็บอกแล้วไงออโอเคยังตอนนี้โอเคแล้วแล้วยังไงต่ออันต่อไปครับก็ก็ก็ปล่อยปไปแค่นั้นเองตอนนั้นเพียงแต่ว่าระบบ อย่าไปกั้นลมหายใจอย่าไปทำอะไรมันผิดปกติหายใจยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวอาการมันก็กลับมาอย่างเดิมแล้วแต่เขาแต่เขาก็เสถียรเมื่อไงเด้อเคยเป็นไม่หวนคเคยไหมแบบเนี้ยเป็นครับเออเนี่ยตอนนี้รู้หรื อ, อยังระบบพวกเนี้ยเออมันมาอยเงี้<ๆ>อยู่ที่รู้หรือไม่รู้รรเขาถึงบอกไม่รู้อย่าเพิ่งขยันให้รู้ก่อนนะเขาจึงต้องมีครูอาจารย์นี่แหละนี่ยหลักการก็อย่างเนี้ย ผมทําไม่มีเลยทําแบบอ่าแหละเห็นเขานั่งก็นั่งตามเขาโอเคนั่นแหละนี้โอเคเข้าใจแล้วนะรายละเอียดมันเยอะแต่บอกแค่ตัวนี้ก่อนบอกแบบหยาบหยาก่อนเรื่องมนุษย์เนี่ยมันเรื่องเรื่องมันเยอะจัดอ่าข้อที่สองข้อที่สองกรณีที่ไปเพ่งเมฆใช่ไหมใช่ครับเพ่งก้อนเมฆเพ่งใบเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาแล้วจิตมันรวมเป็นหนึ่งฟุบขึ้นมาเลยตัวเนี้ยทีนี้พอจิตมันรวมเป็นหนึ่งเนี่ยจินมีพลังไง พอจิตมีพลังมันมีฐานพอจิตมันมีพลังเบียดเสร็จแล้วตัวเนี้ยนะเข้านะเข้าเนี่ยมันน้อมไปในเรื่องอะไรตัวเนี้ยพอจิตมันรวมหนึ่งรวมเป็นศูนย์หนึ่งเบียดเสร็จถ้ามันน้อมไปเรื่องกรุณามันจะกรุณาสุดๆเพราะมันน้อมไปในเรื่องของเมตตาเมตตามันจะเกิดสุดๆเลยและจะเร็วมากปุ๊ปปุ๊ ป, ป, ป, ปมันจะ มันมอ่ามันจะไหลออกมามันเองแหละไม่ต้องโหแต่ก่อนแล้วไม่เจริญเมตาโคตรยากเลยเว้ยแต่ตอนนี้ทําไมมันไหลออกมาเองโดยชีนิ่กั้นก็ไม่อยู่กั้นก็ไม่อยู่น้ำน้ำตาก็ไหลเหมือนน้ำที่นั่นแหละนั่นแหละถ้าผมบอกว่าเป็นน้ำทะเลก็ว่าได้ครับมันเยอะมากเหตุผลเพราะจิตมันรวมก็จิตมันรวมเป็นหนึ่งมันน้อมไปในอะไรมันพุ่งไปในเรื่องนั้นแหละมันมันแหลมคมนะประเด็นก็อย่างนี้เหมือนอย่างเงี้ยฮะมันยอมขึ้นไปบนภูเขาอ่ะ พอขึ้นไปภูเขาแล้วก็ทําร่องน้ําทําร่องน้ําเขาไว้เนี่ยทําร่องน้ําไว้แล้วเทโอ้โหน้ำมันไหลลงอย่างเร็วปุ๊บ <c oughs> กับการที่ว่าไม่ทําร่องแล้วเทน้ํามันกระจายฟ้าไม่มีอะไรเลยนั้นจิตที่รวมเป็นหนึ่งมันแหลมคมมากมีพลังมากมันจะน้อมไปในเรื่องอะไรมันจะพุ่งปุ๊ดออกมาหมดเลยนะเจ้าจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตมันผ่ากระจายยังไม่รวมเป็นหนึ่งมันจะไม่มีพลัง อยว่าจะน้อมไปในกรุณาเลยน้อมไปในเมตตามันก็เมตตาน้อมไปในมุติตาก็มุติตาหรือจะน้อมไปในความในในในในเรื่องอะไรน้อมไปในพุทธคุณโอ้โหเห็นคุณกุ้เจ้าน้อมไปทำมาคุณน้อมไปในสังฆคุณน้อมไปในเรื่องทานน้อมไปในเรื่องอะไรเนี่ยมันมันโรดแล่นหมดเลยเนี่เป็นอย่างนี้มขึ้นอยู่ว่าอินเราจะน้อมไปใช่ตอนนั้นมันคุ้นเคยกับเรื่องอะไรพอคุ้นเคยในเรื่องอะไรมันอยู่เหมือนน้ำทะลักออกในเรื่องนั้นเลย แทบจะหยุดไม่อยู่เลยว่างั้นจะให้ให้ให้แขนใครก็ได้ให้ขาก็ได้ใครมาตัดคอก็ให้ว่างั้นเจะให้เลยว่างั้นเนี่ยนั่นแหละแต่เป็นออแต่แต่เป็นเฉพาะตอนนั้นนะตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้จิตมันแตกมันแล้วมันมันมันมันมันกระจายหมดแล้วว่างั้นเด้ออันนั้นแหละคือสภาพจิตที่เป็นสมาธิเขาจะให้ยังโอเคอย่างเตอนนี้เออแต่โอกาสตอนนี้ยอมก็ ตอนนี้ก็มาหัวละห้อยอยู่นี่แหละโวยทําไงเนาะจะได้ยังเก่าทําไงเนาะจะได้องอนไม่เคยได้อีกเลยตัวเนี้ยเพราะอะไระมันเป็นโม่งผลแล้วไม่สร้างเหตุแล้วตัวเนี้ยอยากโวยหาผลอย่างเดียวแด่เหตุไม่ยอมทําเลยตัวเนี้ยเข้าใจยังโอเคนะประเด็นที่สองนะเอาประเด็นที่สามทว่าเป็นไฟครับไม่ใช่ไฟสุดท้ายนี่เอาไฟสุดท้ายไอ้ที่ว่ามีสีมีอะไรจะมาเข้าสิงะครับ ถามยังลึกยั ง, งงงเองเลยเนี่ยหลายข้อลดัไเวลานั่งสมาธิแล้วไปตั้งเจียอธิษฐานตั้งเจีอธิษฐานอธิษฐานก่อนเจะถวายเป็นพบุรเจะถวายพุทธบูชาเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้สองกรณีรกรณีแรกก็คือเทวดาเทวดาทั้งที่เป็นสมาทิติ 3, เป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. โดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. เขาอยากรู้ว่าแน่ไหมแน่ไหมคนประเภทเนี้ไอ้ที่จะถวายพุทธบูชาใช่เกือบวิ่งหนีแล้วนะผมอะเกือบหนีแล้วครับเขาจึงบอกว่าคนที่อธิษฐานแล้ส่งเดชหรือว่าอธิษฐานแล้วไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีสัจจาอธิษฐานอย่างแท้จริงหรือเป็นคนมีสัจจาอธิษฐานด้วยประเภทเหล่าเนี้แล้วก็จะเจอเรื่องเหล่าเนี้ใช่ครับเมื่อเจอเรื่องเหล่านี้เบียดเสร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคนก็ทําแล้วก็พัง แล้วก็ไปไม่ได้เขาจึงบอกว่าการตั้งสัจจญาณอธิษฐา น, นต้องมั่นต้องนึ่งพูดจริงทำจริงและจริงใจ 2. ต้องมีความอธิษฐานธรรมที่มั่นคงและต้องตั้งหลัไกไว้กอนว่าถึงแม้จะเจออุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมามามาม า, มาทำร้ายก็จะไม่ยอมถอนความตั้งใจอย่างเดดขาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว ถ้าในกรณีอย่างเนี้มันจะมามากขนาดไหนก็ไม่หวัดไหวตั้งนี้ไม่เป็นไรโดยโดยส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเป็นลักษณะของกรณีอย่างนี้เป็นเทวดาหรือเป็นอมนุษย์ส่วนอีกกลุ่มหนึง่งมันกลุ่มจากจิตนี่แหละจิตมันสร้างขึ้นไอจิตในที่นี้คือกิเลสกิเลสที่มันเคยขัดขวางการกระทาของเรามาอย่างยาวนานแล้วมันเคยชนะเราทุกครั้ง เวลาจิตจิตประเภทหนึ่งจิตดีทั้งหลายมันตั้งมั่นขึ้นมาพวกไอ้กิเลสายไม่ดีทั้งหลายเ่าเนี่ยมันจะมาขัดขวางแล้วก็สร้างเป็นจินตนาการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ได้หลายหลายคนก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นมันไปได้ก็พ่ายแพ้อย่านงนี้เป็นต้นช่วีก็ทีแบบตายไปตาย <laughs> ตายเป็นตายก็เลยเอาแตยงน้อยเอาแต่แต่ร่างกายปิญญัน ปัญญาไม่ได้ไปเราผมก็พูดพูดในบอกบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยนะครับเออถึงกัต่างรู้กับไม่ไม่รู้ก็ตอบให้รู้มันก็เล่นกันแบบนั้นแหละก็เรียกว่ามันบ้าบิ่นดีเหมือนกันไม่เป็นไรก็คือเหมือนแบบมันจะเสียสัจจะไม่ได้อ่ะแล้วอธิฐานไปแล้วอะครับถ้ามาถามแบบเนี้ยโดยมากทางสายครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆเขาก็จะให้ท่องเอาไว้ตายเป็นตายตายเป็นตายตายเป็นตายเออนั่นแหละให้ท่องอย่างนี้เข้าไว้มันก็เดน้อยก็ไปดี นึกเงิ ใ, ใจว่าอย่างน้อยก็ไปดีเอาถวายถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วร้วอยไปดีแล้วก็ดีนะไอความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาไว้แล้วก็ทําต่ออย่าไปหยุดมันนี่ประการที่สองที่สามเลยนะครับ อ, อประการที่สี่ไปนั่งกับมาถานแล้วมันเย็นแล้วเกิดหนาวหรือเยือกขึ้นมาเนี่ยครับหรือจะเกิดร้อนก็ได้เย็นก็ได้อะไรก็แล้วแต่อไอกรณีแบบนี้มันเกิดจากธาตุ ธาตุไฟคือธาตุเย็นมันกำเริบไอธาตุไฟที่กำเริบมันมาจากไงเย็นแ ล, แลนะร้อนอะเย็นมาก่อนเนี่ยมันมาจากจิตเพราะจิตเป็นมนุษการถึงความหนาหรือความเย็นขึ้นมาเนี่ยมันเลยสร้างธาตุเย็นขึ้นมาพอมันสร้างเย็นขึ้นมาเบีเสร็จมันไม่มีวิธีการหยุดยัง้งก็ไปเพิ่มความเย็นในใจเพิ่มขึ้นไอใจก็เลยผลิตธาตุเย็นดินน้ำไปล่มให้มันเย็นนะครับนะครับหนาวเลยเยียบทั้งตัวเลยตอนเนี้ย นข้าวหนาวหนาวหนาวหนาวขึ้นมาสันสันสนขึ้นมาเเสร็จเนี่ยทีนี้ไอความที่สติสมรชญะไม่แข็งแรงรก็ไปนึกถึงร้อนอีกแต่เนี้ยพอไปนึกถึงไฟร้อนร้อแล้วเป็นเสร็จสักพักหนึ่งมันก็เจตก็เลยสร้างไฟขึ้นมาปุ๊บมก็แค่นี้เองไม่มีอะไรไอ่าเจตมันสร้างมันจะไม่ไม่เจตมันสร้างแล้วมันเกิดจริงๆรันเกจริงแต่มันไม่มีจริงใช่เพราะว่าเฮียมันมีที่ไม่มีได้ไงกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าปรับบาลานซ์ไม่เป็น ไม่ได้ไม่ได้ดุนยภาพไม่ได้สมาตาแล้วคุควรทยังไงครับก็อย่าไปเล่นกระทะตอนนั้นเดินกรรมฐานอะไรอยู่รู้ลอเดียวเลยอก็ทีนี้ไปดูลมเนี่ยแล้วแต่แต่มันหนาวก็เลยไม่เหตุผลเหตุผลว่าไอ้ตรงนั้นน่ะยอมไปดูธาตุไงไม่ได้ดูลมว่าอไรไอ้ลมกระทบมันเย็นไงเพราะไอ้ลมกระทบจะบวกมันเย็นน่ะมันเลยป้องแต่งความเย็นไปทั่วกายทีนี้พอไปคิดถึงร้อนปุ๊บ ไปเจอลมกระทบอีกมันร้อนก็เลยร้อ น, อ น, อ น, อนทั่วกายไฟก็ขึ้นห<อ>ลักการคือตรงนี้เขาไม่ให้ดูลมเ<อ>เขาไม่ให้ดูจุดกระท บ, บอย่าไปดูตัวไายสัมผัสแต่ให้รู้ลมนะในรู้แผ่วเบา ร, บรู้แบบแผ่วเบารู้ลมจริงๆริงแต่ไม่ต้องจับจ้งองแต่ไม่ใช่ ไ, ใชไปจี้เข้าไป<อ>ไปจี้ไปที่สัมผัสพอจี้ไปที่สัมผัสตัวธาตุกรรมันตานมันขึ้นแท น, อา น, อ, านาอานาบานาสติก การดูลมเนี่ยไม่ใช่ไปดูว่ามันเย็นหรือมันร้อนหรือมันกระทบเบาหรือกระทบแรงไม่ใช่ไปดูตรงนั้นหรือไม่ใช่ไปกระทบอ่อนหรือเบาไม่ใช่ไปดูตรงนั้นแต่ให้ดูลมจริงๆลมมันเป็นบัญญัติ ร, รู้ว่ามันเข้ามันออกแค่นั้นเองแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ไปจีท้ที่จุดกระทบแต่โยมเจริญอาณาปณะผิ <S S S S ดไปจีท้ที่จุดกระทบมันก็เดลามไปถึงธาตุดินธาตุน้ำธ า, า, า, าตุไฟธาตุลมหลักการคือตัวนี้ โอเคนะเอ่อเข้าใจแล้วคนระับก็คือผมไปจับย่อมเไปเาเรียกว่าเอาสมาธิไปจี้มันไปจี้ต้องจุดกระทบจัด ม, มันเลยกลายกรรมฐานเปลี่ยนรูกจากจากจากลมเลยกลายเป็นธาตุเป็นธาตุเย็นธาตุร้อนไปอีกเรื่องนะึงครับอาจารย์ขออีกอย่างนึงอ่าไหนว่าสีไงได้อีก่องนึงฉันเหนื่อยแล้วคืออมเป็นเป็นไม่สบายมันไอ กินยาก็แล้วหมดไปหลายชุดแล้วหมอก็จัดยามาผมผมถึงกบต้องลางานนะครับป่วยแล้วพอรู้สึกว่าตอนตอนตอนเย็นยไม่ไหวแล้วจะเย็นจะต้องไปหาหมออีกคราวเนี้กล่าวว่าต้องฉีดยา แ, แต่ตอนนี้ก็รอเวลาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสองนี่แหละครับแล้วผมก็เลยไหนๆก็คือมันไอไอตลอดจะนอนก็ไอ แ ต, แต่ช่วงหลับบางทีมันก็ไม่ไออย่างเงี้ยผมก็เลยไปในไหนมก็นอนไม่หลับแล้วไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิเล่นอีกครับไปนั่งสมาธิที่ห้องพระแล้วทีเนี้ย ร, ระหว่างนั่งก็ไอ้ไอ้ไอ้แล้วๆๆสติผมก็มันระลึกขึ้นได้ว่าทําไมตอนเรานอนอ่ะมันไม่อก็เลยเอเราลองทําจิตจิตเหมือนเหมือนหลับอะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทําเหมือนหลับ แต่แต่ให้มีความรู้สึกอะครับเหมือนเหมือนมันแยกแยกแยกกายก็อยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็หายไอไปเลยครับหายไปแบบไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปฉีดยาแล้วร่างกายก็ดีขึ้นแบบแบบิดปกติอะดีแบบดีแบบแปลกมากเลยคือหายไอ เราเราเหมือนเหมือนเหมือนมือนแยกแยกว่าเนี้ยเนี้คือร่างกายไอ้ไนี่นจิตทําจิตเหมือนอ เ, เหมือนหลับตัวก็ลมจะถามครับอะไรจะถามว่ามันทําไมถึงหายอ๋ อ, อมันไม่หายได้ไ ง, ไงในขณะที่แล้วจิตลงผวังอ่ะไอ้ไอจิตลงผวังเนี่ยเวลาหลับเนี่ยครับเวลาหลับเนี่ยมันก็จะไม่ป่วยมันก็จะไม่อายเพราะอะไรเพราะวัางั้นจิตเนี่ยมันเป็นจิตที่มันไม่ไม่ไปคิดบุงแต่งอะไรใช่ไหมครับ เพราะจิตไม่คิดปรุงแต่งอะไรไปเสร็จครบจิตมันก็ปรับปรับดินน้ำไปลมในร่างกายเนี่ยให้มันได้ดุนยภาพมันได้ดุนยภาพมันก็เสถียรพอเสถียรขึ้นมามนก็ไม่ป่วยไม่กำเริบไอกรณีคนไอก็ดีคนตัวร้อนก็ดีเย็นเกินไปก็ดีหนาวเกินไปก็ดีเนี่ยไอกรณีไอหรือว่าสภาพร่างกายพิกทุ ล, ลนทุลายออกมาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ที่ธาตุมันกาเริบ ที่ธาตุกาเริบเนี่ยมันเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้กิดจากอุตุก็ได้กิดจากอาหารก็ได้แต่ของโยมเนี่ยพื้นฐานมาจากจิตสภาพจิตที่มันเสียแต่เมื่อจิตมันได้เสถียรเวลาโยไ ป, ไปกําหนดแบบนั้นเนี่ยอพอไปกาหนดเบ็ดเสร็จในจิตมันรวมเป็นหนึ่งแล้วเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ธาตุดินน้ําไฟลมทั้งหลายเหล่านี้มันก็ได้เสถียรเมื่อเสถียรออกมาเนี่ยมันก็เลยไปปกคุมมันไปไปจัดให้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม โดยเฉพาะไอเนี่ยมันมาจากธาตุลมไปตัวผักแปลงเกินไปครับผมทีนี้ธาตุลมมันนิ่งมันพยุงมันไม่ผักเพราะไอเนี่ยมันผักออกมาไงเหมือนคนพูดคนอะไรอ่ะมันมีผ้าธาตุลมผักครัทีนี้พอจิตมันนิ่งเบเสร็จมันก็ไปพยุงเข้าไว้มันไม่ผักพราะไม่ผักมันก็ไม่ไอายเพอไม่ไอก็เรียกว่าหายใช่หลักการก็คือตัวเนี้ผมใช้วิธีนี้รักษาตัวเองจนจางแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มันมันก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อเมื่อมันโรคมันเกิดจากอูตุโรคมันเกิดจากอาหารโรคมันเกิดจากกรรมถ้าไปเจอที่อาหารไม่ต้องแก้ที่อาหารถ้าจากอูตุมันต้องแก้จากอุตุถ้าเกิดจากจิตก็แก้อย่างที่โยมทำนี่แหละมันป่วยจากจิตเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดจากกรรม ยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะบาปมันให้ผลแล้วตอนนั้นน่ะก็เข้าใจย้ำตัวเนี่ยครับตอนเนี้มันจริงๆแล้วยอมปรับที่จิตมันก็ช่วยได้หลายอย่างเลยเพราะจิตมันมันโอเคหลายเรื่องมก็เลยตั้งแต่นั้นมามันเน้นมัดูจิตอย่างเดียวเลยครับดูดูจิตมันเคลื่อนไหวดูกิเลสอะไรมันเกิดแล้วก็ดูดูมันอย่างนั้นแหละแต่ไม่ไม่ไปยินดีกับมันนะครับก็ดีมันได้แค่พื้นฐานแต่มันไม่อยู่แค่นั้น คือพัฒนาต่อศึกษาต่ออีกเยอะแ ต, แต่ผมจะอยู่อยู่ได้แค่นี้องผมไปต่อไม่เป็นเออมันก็ถูกต้องแล้วถ้าไปต่อเป็นก็ประหลาดแล้ว <c oughs> โอเคแล้วนะครับผมศึกษาทุกทาจะได้เป็นความรู้ผมทำแบบบางทีก็เราเปิดยู u ูบเอ๊ะมันคืออะไรวะอันนี้มันคืออะไรอะไรยังไงเยอะมากก็ตอบกันมัว่ว